เสียงอ่านหนังสือเรื่องกรรมอวิชชาสันโดษพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆะปรินายกหนังสือตามพระราชดำริปารพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมระราชปารพว่าได้ท่งพระกรุณาโปรดให้อาราธนาสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโน เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระาศาสนาโสพลวัดบวรนิเวศวิหารเรียบเรียงวิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้องทางธรรมะถวายได้พระราชทานพระราชานุ ญ, ญาตให้พิมพ์เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510แล้วและได้มีพระราชดำริอีกว่าในทางปฏิบัติตนให้ถูกต้องนั้น ย่อมเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องกรรมด้วยเรื่องกรรมเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทําความเข้าใจให้ถูกต้องจึงทรงพระกรุณาโปรดให้อรัตนาสมเด็จพระญาณสังวรรวบรวมเรื่องกรรมถวายทรงพระราชวิจัยเลือกสรรเฉพาะที่เป็นข้อสําคัญพอจะแสดงให้เห็นหลักธรรมและหลักปฏิบัติว่า มุ่งสอนให้รักกรรมชั่วทำกรรมดีในปัจจุบันและโปรดให้ประมวลเรื่องอกโกสกพรามและเรื่องขันติต่อเข้าไว้กับเรื่องกรรมด้วยคนที่ทำกรรมดีนั้นก็อาจมีอุปสรรคเช่นถูกนินทาว่าร้ายจึงต้องมีวิธีทำใจในเมื่อถูกนินทาว่าร้ายและจำต้องมีขันติเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ จึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้พิมพ์ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2,518 ลงท้ายวังศักด์ปทุมมกราคม 2,518